ท่านก็ชอบอยู่ในถ้ามีน้องของหลวงพ่อคนนึงเหมือนกับพี่น้องกันนะทําจริงไม่ได้เป็นญาติอะไรกันหรอกคือ อ, องคนะ์น่ยที่สับปลายะของ อ, องค์นะคือที่มืดๆทึบๆอับๆแล้วภาวนาดนะีชอบแบบอยู่ในถ้าอยู่อะไรเงี้ยบวชอยู่ในกรุงเทพนะไม่มีถ้าให้อยู่จะอยู่ในบวชบวชรัศมนะี หมดก็ไม่โตนะหมดเล็กๆปิดประตูหน้าต่างเรียบเลยนะกลางวันที่ร้อนหอ้โอบแบบคล้ายๆน้องๆห้องสาวหน้าอานั้นนะอย่างนั้นภาวนาดีนะอย่างหลวงพ่อต้องอยู่ที่โล่งๆที่กว้างๆโล่งๆนะแล้ก็ภาวนาดีนี่เราต้องดูตัวเราเองนะเวลาก็มีส่วนนะต้องสังเกตเอาบางคนภาวนาดีตอนเช้าบางคนตอนสายตอนบ่ายตอนเย็น ตอนค่มตอนดึกอย่างหลวงพ่อหัดภาวนาแรกๆได้สังเกตเลยสัก4ี่โมงเย็นไปแล้วเนี้ยภาวนาดีอาจจะเพราะว่าเลิกงานก็ได้นะมัในใกล้เวลาเลิกงานแล้วใจิตใจได้ตัดเรื่องงานทิ้งเลยพอเลิกงานปุ๊บดูลูกลูกเดียวเลยนั่นจะดูอย่างขยันขันแข็งพอค่มพอดึกเนี่ยนะมันเหนื่อยจากการทำงานทั้งวันแล้วเป็นคารวาดน้ําเหนื่อยมันดูไม่ค่อยจะไหวแล้ว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 พอหมดธุราแล้วก็กลับมาอยู่บ้านมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับอิริยาบถนะมาอยู่กับพุโทโธก็ยังได้พุโทโธก็เนื่องด้วยความคิดเนื่องด้วยจิตพุโทโธเป็นชื่อของจิตเรามาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราใครเคยดูท้องฟองยุบก็ดูไปเคยรู้ลมหายใจก็รู้ไปเคยขยับมือก็ขยับไปแต่ไม่ใช่ทำเพื่อให้จิตนิ่งไม่ได้เพ่งให้นิ่ง เพ่งให้นิ่งคือตรึงความรู้สึกเอาไว้ที่เดียวนะันคือติดคุกหลายคนภาวนาแล้วจิตอึดอัดนะพอลงมือภาวนาก็เพ่งหน่อยเพ่งกายเพ่งใจเพ่งกายเพ่งใจเพ่งให้นิ่งกายก็นิ่งนิ่งิดความเป็นจริงจิตใจก็แข็งชื่อขึ้นมาผิดความเป็นจริง น, นั่นติดคุกละไม่มีความสุขเลยจิตใจที่ไม่มีความสุขเป็นจิตอกุศลนะจิตที่เป็นกุศลจะต้องมีความสุข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 หรืออกุศลทั้งหลายเนี่ยถ้าสติะระลึกปั๊บดับทันทีกุศลเนี่ยสติะระลึกไม่จําเป็นต้องดับนะเวทานาเนี่ยสติะระลึกแลไม่จําเป็นต้องดับคนรธเรื่องไม่ใช่อกุศล น, นี่ถ้าเราสติตัวจริงเกิดใจเราตั้งมั่นเราจะเห็นความจริงอันหนึ่งว่าสภาวะทั้งหลายเนี่ยจะเป็นรูปธปรรมนามธรรมนะไม่ใช่ตัวเราอี่ยเราเห็นว่าความโกรธที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ตัวเราเหรอก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 ตอนสุดท้ายมาสังเกตอยู่ไอตอนที่ใจฝ่อๆแล้วมาแล้วไม่ได้ทำอะไรนะหลวงพ่อบอกเออดีนี่ไอชักชักงง ง, งแล้นะไอตอนที่ทำมาตลอดเวลาที่ทำมานะบอกไม่ได้เรื่องเลยใช้ไม่ได้ตอนที่เลิกทาไปแล้วนะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปอย่างที่มันเป็นนะี่แหละรู้ซื่อๆหลวงพ่ อ, อกลาว่าเออดีละดีละเนะ้สุดจับหลักได้การปฏิบัติไม่ใช่การทาอะไร แต่คือการรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นน่างหไม่ใช่ไปทาอะไรแค่คิดแต่ว่าจะทาจะทำนะไม่สำเร็จหรอกเสียเวลาเนิ่นช้าถ้าเราทำใจสบายสบายร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไปเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลรู้สึกไปเรื่อยๆมันจะพบว่าง่ายสุดๆเลยง่ายเพราะว่าไม่ได้ทำอะไร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 เราเห็นมีสติเห็นความเปลี่ยนแปลงของรูปรูปกําลังเคลื่อนไหวแล ari, ้วแล้วก็มีปัญญารู้ว่าตัวที่เคลื่อนไหวนี้เป็นแค่รูปนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เราเคลื่อนไหวนะแต่วัตถุธาตุนี้กําลังเคลื่อนไหวเราเป็นแค่คนดูมันนี่รู้มีสองระดับนะมีสองนัยยะแรกมีสติรู้กายรู้ใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่สองมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนั้น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 ขยันบางทีใจสั่นเลยนะจะถึงประตูวัดแล้วใจยังตะเวรเปิดเปิงยังไม่ตั้งมั่นเลยนะ <c oughs> ลอกกันบ้านเพื่อนไม่สำเร็จมันเคยรู้แล้วมันกลับไปไม่รู้ได้อะได้มันของเสื่อมโอ้งั้นอย่าประมาทนะการปฏิบัตินี่ทิ้งไม่ได้เลยต้องทำทุกวั น, นแล้วเราทิ้งไปเสื่อมทาไมเสื่อมล่ะมันเป็นโลกียธรรมันของเสื่อม ไม่ใช่โลกุตตะธรรมนะโลกีธรรมั้งั้ น, นที่ภาวนารู้กายรู้ใจมีสติว่างไวมีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ<ม>เห็นอะไรก็รู้สภาวะรู้ลักษณะไปเรื่อยบางวันไม่รู้อะไรเลยเสื่อมไปนี่ถ้าเสื่อมเพราะไม่ได้ปฏิบัตินี่นะน่าเสียดายแต่ถ้าเรายังปฏิบตัติตามรู้กายตามรู้ใจเหมือนวันปกตินั่นแหละเสื่อมเนี่ย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 พาทำธุระเสร็จมันจะมีความรู้สึกสบายใจเกิดขึ้นมีสติรู้ความสบายใจกลับมาดูจิตแล้วนะเห็นไหมในห้องน้ํายังไม่ละเว้นเลยนะการปฏิบัติอนะ่ะโอ้ยถ้าขี้เกียจขี้คลานนะโอ้ยเหนื่อยแล้วตอนนี้ไม่ดูละพักผ่อนโอชาตินี้ไม่ได้กินหรอกเว้นวักบ่อยไปต้องไม่เว้นวักนะสู้ตายนะแต่ไม่เคร่งเครียดจะไหมนะถ้าเคร่งเครียดผิดนะรู้ไปเรื่อยๆ ร, ยรู้สบายสบายไป